สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะตอนรับเข้าสู่รายการเพื่อนเตินภัยค่ะรายการที่รวบรวมเรื่องราวการเตินภัยการใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนำมาฝากกันนะคะเราเจอกันในช่วงเวลานี้ทุกๆเช้าของวันพรหั ส, สบดีทาง FM ฟเปดิาวิทยุราชมงคลทัญบรุรีและที่ทางแฟนเพจเฟ e บุ๊กนะคะเซิร์ชคำว่าวิทยุราชมงคลทัญบรุรีเช่นเดียวกันนะคะก็จะได้ดูรายการของเรานะซึ่งจะมีการออกอากาศ ะะเช่นเดียวกับทางวิทยุด้วยนะคะวันนี้ที่ฉันอาทิตยาปกธทานาังรับหน้าที่ในการดำเนินรายการแล้วก็มาพบกับคู้ฟังเช่นเคยนะคะพร้อมกับเรื่องราวเคสต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทยณปัจจุบันโดยเฉพาะเรื่องราวของการหลอกลวงนะะหรือว่า เรื่องของการเสียทรัพย์สินต่างๆนะคะที่จะมาเล่าสู่กันฟังว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมิชฉาชีพเขามีกรณีหรือว่ามีวิธีการในการหลอกลวงประชาชนคนทั่วไปอย่างไรบ้างนะคะเริ่มต้นกันในวันนี้ค่ะกับเรื่องราวของตํารวจนะคะจากกุมาราชการตํารวจปราบปรามยาเสพติดนะคะหรือว่าบชปส์นั่นเองนะคะตอนนี้มีการเตือนประชาชนระมัดระวังค่ะการรับพัสดุสอดใส่ยาเสพติดนะคะถ้าหากว่ามีพัสดุมาส่งและคุณไม่รู้ว่าเป็น อ ย, อย่าเปิดอย่าเซ็นรับให้รีบแจ้งตำรวจเพื่อมาตรวจสอบไม่ฉะนั้นอาจจะโดนคดีได้โดยไม่รู้ตัวค่ะ รายงานข่าวนะคะจากตํารวจบชปสระบุถึงกรณีขบวนการยาเสพติดนะคะส่งสารเสพติดด้วยทางไปรษณีย์เริ่มมีมากขึ้นวิธีการค่ะก็คือการส่งยาผ่านทางไปรษณีย์ไม่ใช่รูปแบบการส่งยาแบบใหม่นะคะในอดีตเนี่ยกู้ตำรวจบอกว่าก็มีวิธีการในการส่งแบบนี้เช่นเดียวกันเคยใช้วิธีการส่งยาผ่านระบบขนส่งพัสดุสิ่งของบริษัทเอกชนก็จะเงียบหายไปและกลับมาแพร่หลายเพราะว่าการสื่อสารทางโซเชียลเน็ตเวิร์กค่ะเนื่องจากขบวนการยาเสพติดลอง รูดี้ว่าในสังคมปัจจุบันนะคะผู้คนส่วนใหญ่กําลังนิยมสั่งซื้อสินค้าออนไลน์เป็นจำนวนมากค่ะทําให้ขั้นตอนหรือว่าความเข้มงวดในการตรวจสอบสิ่งของที่อยู่ในพัสดุช่วงนี้ไม่มากเหมือนแต่ก่อนเพื่อเป็นการประหยัดเวลานะคะก็เลยช่วยโอกาสแฝงตัวเข้ามา ท, ทําทีส่งพัสดุภายในแอบบรรจุหรือว่าซุกซ่อนยาเสพติดไปกับเอเย่นต์ยาเสพติดรายย่อยแทนการส่งยาในรูปแบบเดิมๆหรือว่าการนัดเจอกันนะคะส่วนวิธีการติดตามจับกลุมขบวนการยาเสพติดที่ กลบรอบส่งยาผ่านทางไปรษณีย์จะมีหลายวิธีการค่ะเช่นการส่งเจ้าหน้าที่สายลับไปแฝงตัวกับขบวนการยาเสพติดเพื่อคอยส่งข่าวหรือว่าเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือ ต้องอาศัยความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ไปรษณีนะคะในการช่วยสังเกตกล่องพัสดุต่างๆหากพบหรือว่าสงสัยว่าอาจจะมีการซุกซ่อนยาเสพติดภายในก็ให้แจ้งมาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อจะได้ไปทําการตรวจสอบนะคะเมื่อพบว่าภายในเนี่ยมียาเสพติดจริงก็จะทําการขยายผลค่ะไปยังปลายทางหรือว่าทางผู้รับว่าเป็นใครและมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดดังกล่าวหรือไม่ยังก็ตามแล้วนะคะวิธีการดังกล่าวนี้ในช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างทําได้ยากเลยค่ะซึ่งในอนาคตนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองอาจจะต้องมี การร่วมมือกับไพรส์นีนะคะเพื่อขอความร่วมมือในการติดตั้งเครื่องเอสเลสิ่งของภายในกล่องพัสดุตามที่ทําการไปรส์นีครอบคลุมทุกสาขาทั่วประเทศรวมถึงกําชับเจ้าหน้าที่ไปรส์นีทุกคนตรวจสอบบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ส่งอย่างละเอียดทุกครั้งเพื่อป้องกันการใช้บัตรประชาชนปลอมของพวกทำผิดกฎหมายด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะในส่วนของประชาชนทั่วไปทางตํารวจเองก็ขอความร่วมมือนะคะถ้าพบว่ามีกล่องพัสดุกส่งมาที่บ้านพักแล้วคุณไม่ทราบว่ากล่องนั้นเนี่ยเป็นของใครนะคะไม่มีการระบุชื่อหรือว่าถ้าระบุ ก, ก็ตามแต่ว่าคุณไม่ได้สั่งอะไรทั้งนั้นสิ่งแรกเลยนะคะก็คือการแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ตํารวจค่ะเพื่อให้ทางตํารวจเนี่ยมาช่วยในการตรวจสอบนะคะห้ามเปิดกล่องตรวจสอบเองเป็นอันขาดเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจเพราะหากทําการเปิดกล่องด้วยตัวเองแล้วพบว่าข้างในเป็นยาเสพติดปุ๊บ หรือถูกเจ้าหน้าที่จับกลุมขณะเปิดกล่องพัสดุที่ภ า, ายในมียาเสพติดของกลางแล้วเจ้าหน้าที่ตํารวจเองก็จําเป็นนะคะจะต้องเชิญตัวคุณมาสอบปากคําทันทีนะคะพร้อมกับตรวจสอบพยานหลักฐานให้แน่ชัดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือไม่เพราะว่าคุณตํารวจเองก็ต้องทําตามหน้าที่ซึ่งเมื่อเป็นเช่นั้นแล้วค่ะก็อาจทําให้เสียเวลาในการต่อสู้พิสูจน์ความจริงในชั้นศาลนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็อยากจะฝากแจ้งให้เข้าใจในตรงนี้ด้วยนะคะส่วนแนวทางในการดําเนินคดีหรือว่าเอาผิดกับทางบริษัทที่ร ขนส่งพัสดุนั้นทําได้ยากเนื่องจากว่านี่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทขนส่งพัสดุเหล่านี้อยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเดี๋ยวนี้วิธีการเนี่ยก็อย่างที่ทราบกันนะคะว่ามีเรื่องของการส่งยาเสพติดผ่านทางไปรษณีย์กันมากขึ้นนะคะถ้าเกิดว่ามีการส่งมาที่บ้านแล้วเราไม่รู้ว่าเอ๊ส่งให้เราแต่เราไม่ได้สั่งของนะ อันนี้ต้องระวังตัวนะคะก็ให้แจ้งเจ้าที่ตํารวจก่อนนะที่คุณจะทําการเปิดกล่องเหล่านั้นนะคะหรือถ้าหากว่ามีกล่องพัสดุที่ไม่ได้ระบุชื่อนะคะก็อาจจะต้องแจ้งเจ้าที่ตํารวจเช่นเดียวกันหรือไม่ก็ตีกลับทางไปรษณีย์นะคะไม่ต้องไปเปิดดูนะคะเอาล่ะค่ะบัากระครู่หนึ่งก่อนคะ่ะช่วงหน้าจะมาติดตามการเตือนภัยคะ่ะมีชหนุ่มท่านหนึ่งนะคะได้อ่า พราบว่าลิ้นนิดของตัวเองเนี่ยมีก้อนคล้ายกับสิวอักเสบนะคะก็ไปหาคุณหมอค่ะปรากฏว่าเป็นตัวอ่อนของพยาธิตืดหมูซึ่งคุณหมอบอกว่าอาจจะเกิดจากผักสดที่ล้างไม่สะอาดนะคะเดี๋ยวมาฟังเรื่องราวนี้กันในช่วงหน้ากับเพื่อนเตือนภัยค่ะ ใครเตือนเหมือนห้ามไม่ฟังยังดือด้อดันทุกทีฉันควรหยุดหยุดหยุดสิ่งที่ฝันเพราะเราต่างกันเท่าไรแม้ฉันจะหยุดหยุดหยุดใจแค่ไหนฉันก็ยังทำไม่ได้ ซ่อนคำว่ารักอยู่ในใจซ่อนความหมวนไห้ในสายตาอยากให้เธอรู้เมื่อมองมาอยากให้เธอได้ยินอะไรที่ไม่เคยพูดไปอดอาดตรงรักอยู่ในใจจะต้องทอร่อมันอย่างนี้ไปนานแค่ไหนคำถามว่าฉันรักเธอจะเป็นไปได้หรือไม่ ทำตอบอยู่ในใจเธอนั้นไม่รู้จริงๆริงลองทำเป็นไม่แค่์เมื่อเธอส่งยิ้มลองทำเป็นไม่อินเมืเธอสอบตาพยายามไม่ทำก็ทำไม่ได้สักทีทำให้เราจึงเป็นชนี่กับเธอเท่านั้น ทำไม้เราจงกลัวจะเจ็บปวดใจเพราะได้แต่ฝันมันไม่ได้จริงจริงหรือไรฉันควรหยุดหยุดหยุ ด, ยดสิ่งที่ฝันเพราะเราต่างกันเท่าไหร่แล้วฉันต้องหยุดหยุดหยุ ด, ยดใจแค่ไหนบอกฉันทีบอกฉันทีหยุดหัวใจที่รักเธอได้ยินไรสซอนคำ รักอยู่ในใจซ่อนความหวั่นไหวในสายตาอยากให้เธอรู้เมื่อมองมาอยากให้เธอได้ยินอะไรที่ไม่เคยพูดไปอึดอัดรักอยู่ในใจจะต้องทอร่ง ม, มันย่งนี้ไปนานแค่ไหนคำถามว่าฉันรักเธอจะเป็นไปได้หรือไม่ คำ ต, ตอบอยู่ในใจเธอนั้นไม่รู้จริงจริงซ่อนคำมรักอยู่ในใจซ่อนความหวนไว้ในสายตาอยากให้เธอรู้เมื่อมองมา อยากให้เธอได้ยินอะไรที่ไม่เคยพูดไ ป, ไ ป, ไปอึดอัดตุ้มรักอยู่ในใจจะต้องทอรำพันอย่างนี้ไปนานแค่ไหนไ<ป>คำถามว่าฉันรักเธอจะเป็นไปได้หรือไมไ<ป>่คาตอบอยู่ในใจเท่านั้นที่ฉันอยากรู้<ป>รคำถามว่าฉันรักเธอจะเป็นไปได้หรือไม่ ออใใกลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะกับเพื่อนเตินภัยในช่วงที่สองของรายการค่ะช่วงนี้นะคะคุผู้ฟังคะที่ฉันมีเคสกรณีของการซื้อ อาหารมารับประทานกันน่ะนะคะปกติแล้วเราก็จะเห็นว่าข่าวคราวทั้งหลายนะคะที่ทางด้านของหน่วยงานภาครัฐเองก็ออกมาแนะนำกันนะคะก็น่าจะเป็นในเรื่องของการเลือกนะคะการรับประทานอ า, อาหารหนะที่สุก สะอาดนะคะแล้วก็มีตรามาตรฐานรองรับนะคะหรือแม้แต่การปรุงอาหารเองก็กินร้อนช้อนกลางล้างมือกันใช่ไหมคะแต่ว่าในบางอย่างในบางโรคที่มีเคสเกิดขึ้นนะคะอย่างในกรณีของวันนี้ที่จะเล่าสู่กันฟังเนี่ยก็เป็นเคสของการรับประทานผักนะคะแต่ทีนี้เนี่ยนะคะผักสดต่างๆที่เรารับประทานกันไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยอย่างที่เราแนะนํากันก็คือควรจะต้องมีการล้างให้สะอาดนะคะอย่างในกรณีของชาหนุ่มท่านนี้ค่ะ มีการเตือนภัยนะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยที่ลิ้นตัวเองนะคะมีก้อนคล้ายกับสิวอักเสบไปหาคุณหมอค่ะพบว่าเป็นตัวอ่อนของพยาเตือนหมูซึ่งคุณหมอก็อธิบายบอกว่าน่าจะเกิดจากการรับประทานผักสดที่ล้างไม่สะอาดนะคะเพราะฉะนั้นค่ะชาหนุมคนนี้ก็เลยฝากเตือนภัยคนที่ชอบทานผักแล้วก็ผลไม้นะคะควรล้างให้สะอาดและมั่นใจว่าจะสะอาดจริงค่ะ Facebook นะคะวริสา BPT ได้ออกมาโพสต์เปิดเผยอาการป่วยของตัวเองซึ่งเป็นอุทาหรณ์นะคะ ก็ให้กับคนที่ชอบกินผักเนื่องมาจากว่าตัวเองเจ็บป่วยทรมานมากเพราะมีพยาตืดหมูเกาะที่ลิ้นสนิฐานนะคะว่ามาจากการทานผักสดนะคะโดยเจ้าของโพสระบุว่าตนเองเป็นคนแข็งแรงมากไม่เคยเจ็บป่วยหวัดเนี่ยก็ไม่เคยเป็นเลยนะคะแทบไม่เคยเป็นอีกทั้งเป็นคนที่ชอบกินผักผลไม่มากแต่วันหนึ่งนะคะขณะแปลงฟันอยู่เนี่ยพบว่ามีความผิดปกติที่ลิ้นมีก้อนคล้ายกับสิวอักเสบแต่ไม่เจ็บก็เลยถ่ายรูปนะคะส่งให้เพื่อนที่เป็นหมอดูเพื่อนก็แนะนําไปว่า ว่าไปตรวจกับแพทย์โดยตรงดีกว่านะแต่ว่าตัวเองไม่อยากไปเพื่อนก็บอกให้ลองกินยาแก้อักเสบผ่านไป6วันนะคะก้อนบวมดังกล่าวก็ยังไม่ยุบสุดท้ายก็เลยตัดสินใจไปโรงพยาบาลคุณหมอคลาดูบอกว่ามันแปลกมากไม่เคยเจอเคสแบบนี้มา ก, ก่อนเลยค่ะเพราะถ้ามีการติดเชื้อหรือว่าอักเสบมันต้องเจ็บแต่ว่าคุณคนนี้เนี่ยไม่เจ็บเลยจากนั้นนะคะคุณหมอก็กรีดนะคะแล้วก็นําไปตรวจในห้องแ l a ค่ะซึ่งพบว่าในถุงก้อนขาวๆเนี่ยเป็นซีดนะคะที่ข้างในมีตัวอ่อนของพยาธตื่นหมูซึ่งคุณหมอสันนิษฐาน ว่าอาจจะมาจากผักสดนะคะเพราะว่ า, าผู้ที่ ป่วยเนี่ยนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่กินเนื้อดิบซึ่งก็คิดว่าคงเป็นผักสดแน่ๆค่ะเพราะว่าชอบกินผักสดมากเคยคิดว่าทัางไม่สะอาดอย่างมากก็แค่ท้องเสียแต่ไม่คิดว่าจะโดนพยาธิเกาะลิ้นนะคะต่อมาก็ต้องทําการรักษาด้วยการกรีดลิ้นส่วนนั้นออกมาทางก้อนเจ็บปวดทรมานอย่างมากเลยค่ะปวดลิ้นปวดหัวแทบระเบิดทุกครั้งที่คือ น, น้ําลายกินยา ก, ก็ลําบากเพราะต้องกระดกลิ้นกระทั่งตอนนี้หายดีแล้วนะคะก็นําเรื่องดังกล่าวนี้ออกมาเตือนใจคนที่ชอบกินผักผลไม้ค่ะก่อนจะนําผักสดเข้าปากนั้นต้องมั่นใจว่าาล สะอาดแล้วจริงๆนะคะเพราะว่าพยาธิตืดหมูเหล่านี้เนี่ยอยู่ในดินเราก็อาจจะติดมาได้ง่ายโดยเฉพาะผักที่ปลูกเรียดินหรือไม่ก็กินเป็นผักต้มไปเลยก็จะดีที่สุดนะคะยัง ก, ก็ตามแล้วค่ะพยาธิตัวตืดนะเป็นพยาธิตัวแบนนะคะสีขาวขุ่นค่ะลําตัวจะมีลักษณะเป็นปล้องและมีความยาวหลายเมตรอาศัยอยู่ในลําไส้ของคนและทําให้เกิดการป่วยติดเชื้อนะคะชนิดที่พบบ่อยที่สุดก็คือตัวตืดหมูแล้วก็ตัวตืดนวัวค่ะเข้าสู่ร่างกายผ่านน้าดื่มหรือว่าอาหารที่เจือปนไข่ หรือตัวอ่อนของพยาธิโดยเฉพาะอาหารกึ่งสุกกึ่งดิบนะคะซึ่งมักจะพบอยู่ในกล้ามเนื้อหมูหวัวแล้วก็ควายนั่นเองค่ะเมื่อพยาธิตัวตืดเข้าสู่ร่างกายตัวอ่อนของพยาธิอาจเคลื่อนออกจากลำไส้แล้วสร้างถุง น้ำนะคะหุ้มตัวอ่อนเป็นระยะตัวอ่อนเม็าคูตามอวิวาตต่างๆเช่นตามตากล้ามเนื้อหัวใจหรือว่าสมองได้นะคะโดยทั่วไปค่ะผู้ป่วยที่ติดเชื้อพยาธิตัวตืดมักจะมีอาการที่ไม่รุนแรงมากนักนะคะแต่การแพร่กระจายของตัวอ่อนนั้นอาจส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรงและอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ถ้าหากไม่ไปรับการตรวจรักษาให้ทันเหตุการณ์ค่ะโดยโพสต์ของเขานี้นะคะก็มีชาวเน็ตออกมาแชร์ข้อมูลแล้วก็แสดงความเห็นกันอย่างมากมายเลยนะคะก็ถือว่า เป็นการเตือนภัยการทานผักสดนะคะผ ล, ละไม้สดเนี่ยเป็นเรื่องดีนะคะผู้ฝังค้าแต่ว่าก่อนที่เราจะทานนั้นเราก็ต้องล้างให้สะอาดตามกรรมมาวิธีค่ะ พูดถึงเรื่องของการรับประทานนะคะอีกเคสนึงที่จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะเป็นโพสต์เรื่องราวของคุณสรายุฒิเมทากุลจาก Facebook ชื่อนี้เลยนะคะซึ่งก็โพสต์ว่าดูดน้ําระหว่างพึ่งหลังหนุ่มคนนี้ค่ะโดนพึ่งต่อยลิ้นไก่ต้องนอนโรงพยาบาลทรมานมากๆเลยค่ะผู้ใช้เฟซบุ o กนะคะสรายุฒิเมทากุลได้โพสต์ข้อความเล่าเหตุการณ์เป็นอุทาหรณ์นะคะเมื่อตัวเขาเองได้ดื่มน้ําจากหลอดไม่รู้ว่าภายในหลอดนั้นมีพึ่งอยู่ก็ดูดพึ่งเข้าไปในลําคอค่ะพึ่งตกใจนะคะ ต่อยที่เลนไก่แล้วก็ต้องนําตัวส่งโรงพยาบาลต่อท่อช่วยหายใจมีเลือดออกทางจมูกก็ฝากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้นะคะไว้กับหลายๆคนที่มาร่วมดูข้อมูลนี้ด้วยนะคะว่าเมื่อจะรับประทานอะไรแล้วต้องดูให้มั่นใจนะคะว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมปะปนไปกับอาหารเหล่านั้นนะคะยังก็ตามแล้วค่ะเรื่องราวของคุณสรายุทธเองก็มีคนเข้ามาดูนะคะแล้วก็แชร์ข้อมูลออกไปในโลกโซเชียลกว่า600ครั้งนะคะกดไลค like ์ 1,100 ร้อยไลค์และก็มี ชาเน็ตจำนวนมากเลยค่ะมาให้กําลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ด้วยค่ะจะทานอะไรก็ดูให้แน่ใจระมัดระวังกันนิดหน่อยนะคะถึงแม้กระทั่งการกดน้ําเปล่านะคะตามตู้กดน้ําอะไรต่างๆก็ตามน ะ, ะมวูฟังก็จะรับประทานดูด้วยว่าสะอาดหรือไม่นะคะบางครั้งโอ้โหก้มลงไปเนะี่ยยังมีตะไข่เขียวอยู่ในนั้นอยู่เลยนะคะ พักสักครู่หนึ่งก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะจะมาฟังเรื่องราวของหญิงสาวท่านหนึ่งซึ่งเธอนั้นถูกตั้งข้อหากระทําความผิดฐานร่วมกันช่อโกงแต่เธอบอกว่าเธอไม่ได้โกงเงินนะคะเธอถูกหลอกให้เปิดบัญชีให้กับมิจฉาชีพเราไปถึงเรื่องราวจากกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะเตือนระวังธุรกิจรับจ้างกดไลค์กดแชร์อาจทําผิดกฎหมายได้เดี๋ยวมาติดตามเรื่องราวทั้งหมดกันในช่วงหน้ากับเพื่อนเตือนภัยค่ะ ในแววตาทั้งคู่ไม่รับรู้อะไรเธอคงยังไม่เข้าใจว่าฉันไม่ใช่คนเกา่าเรายัางคงเหมือนเพื่อนยอกล้อเหมือนวันวานแต่ฉันคือคนใจสัง่งแต่ฉันคือคนหวั่นไหว ฉันไม่รู้อะไร ก ล, กลายเป็นคนที่รอเกินเหมือนหนังสือที่เธอไม่อ่านตาคอยมองจ้องอยู่อยากให้รู้ใจกันแต่แล้วเธอยังมองผ่านและฉันก็ยังหวนไว้ฉยังไม่รู้ ใช่นะคะในเพื่อนเตือนภัยค่ะมากระทือเรื่องราวนี้นะคะซึ่งเกิดขึ้นกับหญิงสาวท่านหนึ่งเธอถูกตั้งข้อหากระทําความผิดในฐานร่วมกันช่อกงนะคะแต่ว่าก็มีการปฏิเสธแล้วก็บอกว่าไม่ได้โกงเงินผู้เสียหายอะไรทั้งนั้นแต่เธอก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกหลอกให้เปิดบัญชีให้กับมิจฉาชีพเช่นเดียวกันนะคะเรื่องราวนี้ค่ะคุณจุธามาตอายุ25ปีนะคะเป็นชาวจังหวัดชาเชิงเซาผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดชาเชิงเซานะคะ ซึ่งต้องหาว่ากระทําความผิดฐานร่วมกันช่อโกงถูกตํารวจกองปราบปรามจับกลุมได้ค่ะที่เขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครจากการสอบถามนะคะนางสาวจุธามาทให้การปฏิเสธบอกว่าไม่ได้โกงเงินผู้เสียหายนะคะแต่ถูกนายบอยไม่ทราบชื่อจริงโพสต์ข้อความในในเว็บไซต์หางานซึ่งตนเองเนี่ยได้เห็นข้อความเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมปี2560บอกว่ารับสมัครพนักงานรายได้ดี5้0 0ันถึบาทสัปดาห์ต่อสัปดาห์นะคะเด็กนักศึกษาหรือคนที่ไม่สามารถออกไปทํา งานไกลๆก็เลยสนใจค่ะติดต่อนายบอยทางแอปพลิเคชันไลน์นะคะซึ่งได้แจ้งวันในเว็บไซต์โดยนายบอยเด็ยได้ให้คุณจุธมาดเองถ่ายรูปบัตรประชาชนแล้วก็ถ่ายหน้าบัญชีธนาคารให้จากนั้นในวันเดียวกันนะคะก็มีเงินเข้ามาในบัญชี 1,800 บาทนายบอยส่งข้อความมาบอกว่าได้นําเงินที่ได้มาไปซื้อเงินดิจิทัลในรัสสดุกซื้อแห่งหนึ่งโดยแบ่งเป็นใบละ1000บาทหนึ่งใบใบละ500บาท1ใบส่วนอีก300บาทที่เหลือนั้นเป็นค่าดําเนินการให้กับตัวเองหลังจาก ที่ซื้อแล้วนะคะก็ได้ส่งเลขเงินดิจิตอลให้กับนายบอยนายบอยเองค่ะก็บอกให้คุณจุธามาตเนี่ยนะคะฉีกสลิปเงินดิจิตอลทิ้งและส่งเลขเงินดิจิตอลให้นายบอยประมาณเกือบ 2, 2> เดือนกระทั่งมีผู้เสียหายรายอื่นนะโทรศัพท์เข้ามาหาบอกว่ายังไม่ได้รับของนะคะซึ่งเป็นที่นอนตุ๊กตาทีนี้เนี่ยก็เลยตกใจว่าไม่เคยขายสินค้าชนิดนี้และก็ไม่รู้เรื่องดังกล่าวด้วยนะคะก็เลยรู้แล้วว่าเอาละ่ะตัวเองถูกหลอกค่ะให้เปิดบัญชีธนาคารให้กับมิจฉาชีพโดยเงินที่ผ่านบัญช ทั้งสองบัญชีเนี่ยประมาณ 200,000 กว่าบาทแต่ตัวเองได้เงินจากนายบอยรุมๆแล้วประมาณไม่เกิน 9,000 บาทซึ่งนายบอยได้บอกว่าจะให้โบนัส ท, ที่ทำงานดีแต่ไม่เคยได้หลังจากที่รู้ว่าถูกหลอกก็ไม่ได้หลบหนีนะคะและได้เคยไปแสดงความปริสุทใจที่สถานตำรวจแล้วด้วยกระทั่งทราบว่ามีหมายจับแล้วก็ถูกจับกลุ่มดำเนินคดีค่ะ ยังก็ตามแล้วนะคะกองปราบปรามเองก็มีการออกมาประชาสัมพันธ์เตือนประชาชนด้วยนะคะในตอนนี้ว่าอย่าหลงเชื่อน ะ, ะในเรื่องของการที่จะให้อ่าเข้ามาสมัครนะะส่งข้อมูลต่างๆเชื่อว่ามีรายได้ดีไม่ต้องทำงานเนี่ยนะคะเพราะว่าคุณอาจจะตกเป็นเหยื่อหลอกใช้บัญชีธนาคารไปกระทำความผิดตามกฎหมายได้ค่ะพูดถึงเรื่องราวธุรกิจนี้แล้วนะคะทางด้านของกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะ ก็มีการออกมาเตือนน้าประชาชนระวังธุรกิจรับจ้างกดไลค์กดแชร์เสี่ยงทําบิดกฎหมายค่ะคณะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะได้ชี้แจงกรณีดังกล่าวมีข้อเท็จจริงไม่อาจเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษได้ถ้าหากได้รับความเสียหายทางอาญาแนะนําให้ร้องทุกข์ต่อพนัก ง, งานสอบสวนท้องที่ที่เกิดเหตุเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ภายหลังจากที่มีประชาชนนะคะเข้ามาสอบถามทาง Facebook ถึงเรื่องดังกล่าวจํานวนมากเลยนะคะในเรื่องของธุรกิจการกดไลค์กดแชร์ ะะซึ่งก็มีการชี้แจงของกรมสอบสวนคดีพิเศษต่อหน้าสาธารณชนมีการระบุแบบนี้ค่ะในข้อแรกเนี่ยนะคะเขาบอกว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยมีการเปิดช่องทางให้ประชาชนได้แจ้งข้อมูลเบาะแสในเรื่องดังกล่าวต่างๆนะคะรวมถึงนักผู้ฟังก็จะมีการจัดทําเป็นโปรแกรมประยุกต์นะคะในชื่อของการตรวจสอบแชร์ลูกโซ่ค่ะที่ทํางานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นการช่อโกงประชาชนตามหัวข้อที่กําหนดรวมทั้งมีช่องทางในการแจ้งเบาะแสในส่วนของแช ลูโซผ่านโปรแกรมดังกล่าวด้วยนะคะซึ่งในการตอบผลการพิจารณาจะเป็นเรื่องระหว่างผู้แจ้งเบาะแสกับกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นการพิจารณาเบื้องต้นตามข้อเท็จจริงที่ได้รับหากเห็นว่าการข้อเท็จจริงไม่เพียงพอนะคะก็จะแนะนําให้ยื่นคําร้องเป็นหนังสือมายัาง DSI แนะนําให้ร้องทุกต่อพนัก ง, งานสอบสวนทองที่เกิดเหตุหากเพราะว่าตนเองได้รับความเสียหายจากการ แชร์ลูกโซนั่นเองนะคะสองก็คือการนำตราสัญลักษณ์ของกรมสับสวนคดีพิเศษไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตและนำไปประกอบข้อความข้างต้นนะในเรื่องของอ การกดไลค์กดแชร์ต่างๆเนี่ยนะคะอาจทําทให้ประชาชนสับสนว่าการกระทําดังกล่าวไม่เป็นความผิดที่เป็นคดีพิเศษและกรมสอบสวนคดีพิเศษรับรองแล้วนะคะดังนั้นพันตารวจเอกภัยสิทธิ์วงเมืองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษก็มีการมอบหมายให้กองบอดขานคดีพิเศษซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการรับเรื่องราวร้องทุกต่างๆผ่านการตรวจสอบอ่าช่องทางต่างๆนะคะตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวแล้วด้วยนะคะ3ค่ะจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยพบว่าธุรกิจ Nice Review นะคะหัวฟังเป็นการเชิญชวน ประชาชนทั่วไปที่ใช้ระบบสังคมออนไลน์ Facebook ให้มากดไลค์กดแชร์ให้ความคิดเห็นหรือว่าคอมเมนต์ในเชิงบวกกับงานโฆษณาบนระบบ Facebook ที่ Nice Review เตรียมวในแต่ละวันอย่างต่อเนื่องเพื่อโปรโมทเพจของผู้ประกอบการให้เกิดความน่าเชื่อถือโดยในการสมัครสมาชิกนะคะและมีรหัสได้มีรหัสให้กันนะคะโดยมีค่าใช้จ่ายในการสมัครด้วยและมีการกําหนดค่าตอบแทนเป็นลำดับชั้นซึ่งกรณีดังกล่าวนี้ตรงกับคํานิยามกู้ยืมเงินค่ะโดยตามพระราชกำหนดการกู้ยื เงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนพุทธศักราชสองพัี่รวมถึงการสมถึง่ารับสมัครเป็นสมาชิกโดยมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้สมัครแต่ขณะนี้ยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงนะคะว่าบริษัทมีฐานรายได้จากที่ใดที่นํามาจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้สมาชิกและตราผลตอบแทนนั้นเป็นอย่างไรซึ่งเลียอายจะมีการตรวจสอบต่อไปค่ะ กรณีดังกล่าวนี้นะคะยังอาจเข้าข่ายความผิดอาญาอื่นค่ะเนื่องจากการกดไลค์กดแชร์ให้ความคิดเห็นหรือว่าคอมเมนต์นั้นไม่ได้เกิดจากความต้องการหรือว่าความคิดเห็นที่แท้จริงจึงอาจทําให้ประชาชนทั่วไปนะคะหลงเชื่อในสินค้าหรือว่าบริการว่ามีคุณภาพหรือจริงดังคําโฆษณาทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้นะคะพฤติการดังกล่าวนี้ค่ะอาจเป็นการสนับสนุนการการะทําความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคปี2522มาตรา22ในเรื่องของการโฆษณาที่ไม่เป็นธรรม ผู้บริโภคหรืออาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมในส่วนรวมรวมถึงอาจเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปี2550มาตรา14วงเล็บ1และวงเล็บ5นะคะในการนําข้อมูลอันเป็นเท็จหรือว่าข้อมูลบิดเบือนโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนรวมทั้งการเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลที่มีลักษณะดังกล่าวก็เป็นความผิดทางอาญาซึ่งตรงนี้นะคะหัวฟางมีอัตราโทษจําคุกด้วยนะคะ DSI เองค่ะก็แจ้งเตือนไปยังประชาชน ทั่วไปให้ระมัดระวังในเรื่องดังกล่าวให้ทราบด้วย น, นะคะว่าชายลูกโซ่นั้นมักจะมาในรูปแบบของธุรกิจซึ่งใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่น่าสนใจและโฆษณาชักชวนให้ร่วมลงทุนระยะสั้นก็อ้างนะคะว่าจะมีการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนในตราที่สูงใช้วิธีการนําเงินจากผู้ที่เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่จ่ายค่าตอบแทนให้กับสมาชิกเก่าเพื่อให้เห็นว่าธุรกิจนั้นสามารถดําเนินการได้จริงนะคะภายหลังที่ระดมทุนได้มากแล้วเนี่ยก็จะหยุดดําเนินการและหลบหนีไปพร้อมกับเงินของผู้เสียหายค่ะซึ่งจะเกิด ความเสียหายลุกลามรวดเร็วมากๆจึงขอให้ประชาช น, นาระมัดระวังในการเข้าร่วมลงทุนธุรกิจต่างๆควรศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจก่อนร่วมลงทุนและถ้าหากว่าคุณมีข้อสงสัยว่าจริงหรือไม่ยังไงถูกหลอกหรือเปล่าสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ DSI หรือว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะสายด่วน1202อ ย, 120ย์สออีกครั้งนะคะว่าเป็นสายด่วนนึ2โทรฟรีทั่วประเทศค่ะ ก็เป็นเรื่องราวที่เรานำฝากกันนะคะในวันนี้นะคะเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนะหูฟัง ถ้าเกิดว่าได้มาง่ายเนี่ยแสดงว่ามันจะต้องมีอะไรที่ไม่ปกตินะหรือว่าเป็นก้นลูกของมิจฉาชีพหรือเปล่านะคะนี่คือเรื่องราวในวันนี้ที่นํามาพูดคุยกันในเพื่อนตะไนยค่ะพบกันใหม่ในวันพระราษฎรีหน้าเวลาเดิมทาง FM 89.5 วิทยุราชมงคลธัญบุรีนะคะวันนี้ดิฉันอาทิตยาปักทานางและทางทีมงานต้องขอลากัรไปก่อนค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม RMIT Moving Towards Innovative University